วันนี้ใครจะมาทำบางสุขุนบางเยอนะะรู้เปล่าทำไปทำอะไรบางคนไม่เข้าใจนะคิดว่าเป็นพิธีกรรมนอกศาสนาไม่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่จริงไอ้การบางสุกุลตายบางสุกุลเป็นไนะ่อยู่ในหลักสูตรหลักธรรมพระต้องเรียนมันเป็นกรรมวิธีของคนโบราณที่สามารถย่อเรื่องการทำทาน การรักษาศีลการทำสมาธิการเจริญปัญญาเนี่ยลงมาอยู่ในพิธีกรรมอันเดียวกันยอยอลงมาตั้งแต่ทานศีลสมาธิปัญญาเห น, นเดี๋ยววันนี้จารณาจะทำให้อันนี้เป็นเรื่องในทางพระพุทธศาสนานะไม่ใช่เรื่องสะดอกเคราะห์นะอย่าเข้าใจผิดไม่ใช่เรื่องแก้กรรม ใส่ดอเคราะแก้กรรมอะไรไม่ใช่ศาสนาพุทธหรอกเริ่มต้นเริ่มจากการขอศีลกันรับศีลพอรับศีลเสร็จแล้วพระจะสวดถ้าเราแปลเป็นมันก็คือธรรมะทั้งนั้นเลยที่ท่านสวดอย่างสวดปฏิจจสมุปบาท เียแต่ว่าพวกเราฟังไม่ออกสวดภาษาบาลีนี่ถ้าเราฟังไม่ออกเราก็ไม่ได้ปัญญาจากการฟังแต่เราตั้งใจทําความสงบเราจะได้สมาธิทีแรกก็ถือศีลก่อนตอนที่ฟังพระสวดก็ได้สมาธิพอสวดจบแล้วก็จะมีการชักบองสุกุล บางสุขุนตายกับบางสุขุนเป็นเริ่มจากบางสุขุนตายครับบอกอ น, นิจจาวัตสังคาราอุปาทวายธรรมมิโนอุปชิตตะวานิรุชันติเตสังบูป ส, สุโมสุโคสังคารทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วก็ตายไปสังคารทั้งหลายคือความปรุงแต่งทั้งหลายสงบใช้ได้และจะเป็นสุข นี่เราก็แปลไม่ออกอีกนะตอนชักบังสุขุนตายเราก็แปลไม่ออกหนะลวงพ่อเลยมาบอกให้ฟังมาทําอะไรอย่างน้อยถึงจะฟังบาลีไม่ออกนะแต่มันก็เป็นการเตือนใจเราเองว่าสุดท้ายเราก็ต้องตายเป็นการเตือนให้เรามีมรณานุสติตอย่างเวลาเรามีความทุกข์ มีปัญหาในชีวิตมากมายเครียดจัดอะไรถ้าเราคิดได้ว่าวันหนึ่งเราก็ตายในความทุกปัญหาทั้งหลายหลในโลกไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไหร่อย่างตกงานหรือเจ็บป่วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องความจริงของชีวิตพราะสุดท้ายเราก็ตายบางคนอยากรวยโลภไม่รู้จักเลิก สแสวงหาทรัพย์สินสแสวงหาชื่อเสียงสแสวงหาอำนาจสุดท้ายก็ตายเพราะงั้นการชักบังสุขุนตายนะ้เป็นการสอนให้เราสอนอะไรสอนมรณสติถ้าเรารู้จักพิจารณามรณสตนะิเราจะอยู่กับโลกด้วยความไม่ประมาทหลังนะจากการชักบังสุขุนตายแล้วก็มีการชักบังสุขุนเป็น พูดไปงันหละเป็นตายอะไรมันก็เป็นการสอนอีกว่ามันเกิดได้มันก็ดับได้มันดับได้มันก็ยังเกิดได้อีกอย่างชีวิตเราขณะนี้ประสบความสูญเสียประสบความทุกข์มันก็ไม่ได้สูญเสียตลอดไปหรอกมันก็ไม่ได้ทุกข์ตลอดไปหรอกความทุกข์มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันความเสื่อมมันก็ไม่เที่ยง เพราะฉะมเป็นเรื่องการสอนให้เรารู้จักความเป็นไตรลักษณ์ถ้าเรามองในมุมของปัญญาทั่เป็นการสอนเราทุกอย่างมันล้วนแต่ของที่เกิดแล้วดับทางสิ้นเลยนะแต่ไม่ใช่ดับแล้วก็สิ้นหวังไปเลยนะถึงตอนนี้ยังมีความทุกข์อยู่วันข้าวหน้าอาจจะไม่ทุกข์ก็ได้มันอยู่ที่การกระทำของเราเอง เพะหลังจากนั้นนะหลังจากที่ชักบางสกุลแล้วก็มีการถวายสังฆทานการถวายสังฆทานก็คือการทําทาน น, นั่นเองเพราะมันจะมีได้แต่ศีลสมาธิปัญญานะแล้วมีการทําทานเนื่นมันเป็นกระบวนการที่สอนธรรมะเราสอนในเรื่องการปฏิบัติเราการถือศีลก็คือการปฏิบัติธรรม การมีสมาธิก็คือการปฏิบัติธรรมการเจริญปัญญาก็คือการปฏิบัติธรรมการทําทานก็เป็นการปฏิบัติธรรมลดละความเห็นแก่ตัวลงเพราะฉะน้การชักบังสุกุลไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อเพียงแต่ว่าเราเข้าใจถึงแก่นของมันหรือไม่นะถ้าเข้าใจถึงแก่นของมันเราจะรู้เลยไม่ใช่เรื่องมองมงายนะนะเป็น การสอนศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ทานถ้าเรียงลาแับก็คือมีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญาทั้งหมดเนี่ยลงในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงยันคนโบราณเนี่ยไม่ธรรมดาหรอกเขาเก่งนะเขาสามารถประยุกต์เอาธรรมะทั้งหลายแลที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติเนี่ยเอามาสอนเราลงในเวลาครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเอง สิ่งที่เราจะได้ขั้นต่ำก็คือได้กำลังใจได้กาลังใจขั้นกลางก็คือเราได้สมาธิทำพิธีนี่ยทำด้วยใจที่สงบด้วยใจที่ตั้งมั่นจะได้สมาธิขึ้นมาอย่างพวกที่บอกว่ากลัวคุณใสยอย่างโน้อนอย่างนี้นะจิตมีสมาธิคุณใสก็ไปหมดแนะคุณใสเป็นพลังงานที่สปกปรกนะ จิตเราพีสมาธิมันก็เกิดพลังงานที่สะอาดสว่างขึ้นมาอย่างที่หลวงพ่อทนดูต่อไปไม่ได้นั่นก็คือพวกเราเรียนธรรมะกันอีท่าไหนนะยิ่งมืดลงไปเรื่อยๆมันไม่ใช่แค่โมหะหรอกจิต ท, ที่มีโมหะน่ะมันไปดึงพลังงานที่เลวเข้ามานะครอบงําพวกเรานะเราไม่ได้มีความรู้ความตื่นความเบิกบานอะไรขึ้นมาเลย ยิ่งเรียนไปยิ่งปฏิบัติไปผิดๆอย่างนั้นจิตยิ่งมืดลงไปเรื่อยๆไปนั่งภาวนาก็นั่งไม่อยู่จิตใจกระเจอกระเชิงฟุ้งซ่านอุตรุดไปหมดเลยรู้สึกไหมนั่งก็ไม่อยู่หรอกงงไปหมดแล้วถูกโมหะของตัวเองครอบในเบื้องต้นถูกพลังของมารครอบในเบื้องปลายที่พวกสศสยศาสตร์ทั้งหลายนนะเป็นะพลังงานที่ไม่ดี พลังงานทางคูนใสอะไรเนี่ยนะจริงๆแล้วเป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นในตัวเราก็มีแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่มีคลื่นไฟฟ้าอยู่แล้วก็จิตมันมีสมาธิที่เป็นวิชฉาสมาธิมันไปกระตุ้นพลังงานนี้ยเอาไปทํางานได้ถ้าเรารู้หลักแล้วทําใจของเราให้สงบ ใจอยู่กับศีลอยู่กับธรรมอยู่กับพระจะเกิดพลังที่ดีขึ้นมาพลังที่ไม่ดีมันก็สลายไปเองในโลกนี้ถ้าพูดแบบหนังแฉกหน่อยนะก็มีเทพกับมาร น, นะมีซาตานกับพระเจ้านะมีพลังด้านมืดกับด้านสว่างนะในทุกศาสนาก็พูดเรื่องนี้นะทุกศาสนามีทั้งนั้น เป็นเรื่องธรรมดาของโลกมีด้านสว่างได้ก็มีด้านมืดได้ก็แล้วแต่คนจะเลือกเดินเส้นทางไหนพวกที่อยากใหญ่อยากมีอำนาจเหนือคนอื่นมันก็เรียนพลังมารเอาไว้สะกดเอาไว้ครอบงำคนสะกดจิตได้นะเพราะงั้นอย่างเขาอยากให้เรามีความสุขก็กระตุ้นความรู้สึกสุขของเราอยากให้เราทุกขนะ์ทำให้เราเจ็บป่วยอะไรเงี้ยเจ็บ ปวดตรงโน้นเจ็บตรงนี้ก็ทำได้กระตุต้นลงมาที่แกนสมองของเราให้คลุ้มคลั่งก็ได้ให้อยากฆ่าตัวตายก็ได้ให้อยากฆ่าคนอื่นก็ได้คือการสะกดจิตนั่นเองแล้วเขาได้อะไรเขาได้เราไปเป็นบริวารเราก็จะไปหลงปลืม้มหลงชื่นชมเขาเนี่ยพวกมารเนี่ยใช้พิธีอย่นี้ในการหาบริวาร มันจะขัดแย้งอย่างยิ่งนะกับธรรมะธรรมะเป็นเรื่องสะอาดบริสุทธิ์ครูบาอาจารย์สอนพวกเราเนี่ยสอนพวกเราให้พึ่งตัวเองให้ได้นะให้ช่วยตัวเองให้ได้ไม่ใช่ให้ติดครูบาอาจารย์ธรรมา น, นี่ต้องการให้เราติดเขาอยู่ในอำนาจเขามีอะไรก็ทูลหัวให้เขาหมดนะเขาต้องการอย่างนั้นมาเรียนกับหลวงพ่อหลวงพ่อสอนพวกเราให้พึ่งตัวเองให้ได้ ไม่ใช่พึ่งครูบาอาจารย์ไม่ใช่พึ่งคนอื่นไม่ต้องฟังใครฟังตัวเองได้จิตตัวเองเมื่อรู้จิตตัวเองสว่างจิตมันดีหรือจิตมันชั่วจิตมันสุขหรือจิตมันทุกเรียนรู้ตัวเองเข้าไปนะในเบื้องต้นก็จะเห็นเลยว่าทุกอย่างมันไม่คงที่หรอกนะความสุขความสงบความดีเกิดแล้วก็ดับไปนะเพราะฉะนเราไม่ได้ภาวนาเอาสุขเอาสงบเอาดี เราพานาให้เกิดตัญญาให้เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเกิดชีวิตของเราอย่างการทําบางสกุลเนี่ยก็เป็นการสอนเราว่าสุดท้ายไม่ว่าจะแย่งชิงอะไรมานะสุดท้ายก็มือเปล่าไม่มีอะไรเหลือเวลาตายลงไปไม่มีอะไรเหลือหรอกสิ่งที่ติดตัวไปก็แค่บุญกับบาปของเราเอง เงีที่มาทาพิธีวันนี้ต้องเข้าใจนะไม่ใช่ไสยศาสตร์คือการจะมาทาทานทานที่ทําอันนี้ก็เป็นสังฆท า, านไวต่อสงฆ์รักษาศีลไม่ใช่รักษาเฉพาะตอนทําพิธีนะออกไปก็รักษาต่อไปด้วยแล้วก็ไปกลับบ้านไวาวนห ว, นว้พระสวดมนต์ทุกวันทุกวันใจจะได้ทรงสมาธิขึ้นมา เหมือนตอนที่เรานั่งฟังพระอาจารย์นาสวดพระอาจารย์นาสมาธิสูงนะเทียบกับพวกเราแล้วพนละชั้นกันเมื่อนเวลาที่พระอาจารย์นาสวดเนี่ยจะมีพลังงานที่ดีเกิดขึ้นอยู่ที่เราสงบใจเปิดเปิดใจรองรับธรรมะพลังงานที่ดีสว่างเราจะรู้สึกใจเราจะปลอดโปร่งสว่างขึ้นสว่างขึ้น ตอนช้าบางสกุลก็ยะนึกว่าสะดอกเคราะห์นึกสอนตัวเองไปว่าต่อไปเราก็ต้องนอนเหมือนที่นอนวันนี้แหละเป็นการซ้อมนอนตายไปก่อ น, นอ้าวส่งกันบ้านพวกอยู่วัดพูดดังๆหลวงพอ่อ เหลือเหลือความรู้สึกตัวไหมหรือดับหมดดับหมดเป็นพรวมลูกฝักรกระตุ้นเพิ่มสติขึ้นทำข้างนอกนี้ไม่ไปทำข้างในแล้วก็เวลานั่งสมาธิต้องแก่นั่งสิเหมือนที่เคยทำ ตัวนี้เพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นตัวเนี้ยโมหะแทรกละซึมล่ะตอนที่เริ่มนั่งเนี่ยอย่าให้ใจซึมนย่าให้ใจเคลิบเพราะมันจะเคลิบเนะีหายใจให้แรงขึ้นนะเอานั่งอีกเออนั่งเอาความรู้สึกตัวไปนะ อย่าไปหลงดูมันให้รู้ทันใจตัวเองย่างใจเราเกิดสงสัยว่ามันคืออะไรรู้ว่าสงสัยนี่รู้ที่ใจอย่างนี้ไม่ต้องไปดูไว้นัําสิ่งมาหลอกลวงเราไม่ใช่กลับไปพุโทโธเฉย ให้รู้ทันใจเดินปัญญาเข้าไปเลยว่าตอนนี้ใจเรากําลังฟุ้งซ่านใจเรากำลังอยากรู้รู้ทันจิตเข้าไปของคุณนะต้องหัดเดินปัญญานะมีแต่สมาธิแล้วสมาธิเป็นโมหะด้วยเราะฉนั้นเวลานั่งสมาธิพอใจมันจะเคลิม้มห้ใจแรงขึ้นสองสามทนะีความรู้สึกตัวก็จะเด่นชัดขึ้นมาหายใจเอาความรู้สึกตัวไม่ได้หายใจเอาความสงบนะ เปลี่ยนซะแล้วก็รู้สึกตัวได้แล้วพอใจเราตื่นรู้สึกตัวแล้วก็เดินปัญญาไปดูลงไปในกายดูลงไปในจิตใจนะร่างกายนี้อยู่ชั่วคราวพระแตกสลายจิตใจนีนะ้ก็มีแต่ของไม่เที่ยงสุขทุกข์ดีชั่วความดีความชั่วความลังเลสงสัยอะไรเนี่ยผ่านมาแล้วผ่านไปดูทุกอย่างเกิดดับตัวนี้ถึงจะได้ปัญญา เออมันโรงสร้างโรงสร้างก็ทองพุโทโธไปอืมธรรมดาที่นี่ขี้เกียจไม่ได้หรอก อย่า ง, งมงายตุ๊กแกมันจับมาแรงมาโขบฝาเออมันดึกนี่ถ้ามันเคาะกลางวันมันก็ไม่ดังหรอกแล้วยิ่งใจเราน้อมใจเชื่อเรื่องพวกนี้นะผียิ่งดูขึ้นเรื่อยๆผีเราเองแหละมีหลายตัวไม่ได้มีตัวเดียว ตุ๊กแกเยอะแยะเลยตามต้นไม้ก็มีนะอย่างยิ่งถ้าเราเปิดไฟไว้ในห้องนะ่ะเปิดบ่าเออนั่นแหละนั่นแหละมแมลงมันก็เห็นมแมลงมันก็มาตอมอยู่ที่ประตูหน้าต่างนะตุ๊กแกก็มากินมแมลงเรากลัวผีนะ้ะผียิ่งคอประตูหนักเขา้าไปอีก <c oughs> ผีตุ๊กแกฟุ้งซ่าน สวมดมนต์ไปเรื่อยๆสวดอิติปิโสพระควาอะไรก็สวดไปหลงเออดีเออหังนั้นแหละดีแล้วล่ะทำอย่างนั้นใช้ได้นี่อยู่วัดปล่ะ ว, ว่ามา ผมผมก็สวดมนต์ไปพุพโทโธธรรมโมสังโฆอะไรก็เอาขาดสมาธินะส อ, สองคนนี้ขาดสมาธิคนนี้มีมิจฉาสมาธิคนนี้ดีคนที่ภาวนาไม่เป็นนะดี เพาภาวนาเป็นนะจะปรุงแต่งปรุงใจให้นิ่งให้ซึมนี่เขาภาวนาไม่เป็นใจเขาเป็นธรรมชาติดูออกไห้ใจเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนั่นเออนั่นแหละถูกไม่มีก็ไม่เป็นไรจะทําอะไรได้ละ่ะนะเฝ้ารู้เฝ้าดูาดต่อไป น, นี้นะคอยรู้กลับบ้านไปแล้วก็คอยรู้ความเปลี่ยนแปลง คอยรู้เปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกตัวเองอะ่ะคอยดูไปเรื่อยๆอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งนี่ไปบังคับจิตให้นิ่งมันเคยตัวนะบังคับมันเลิกทาไปทำงานไปกวาดบ้านถูบ้านือทาอะไรเคลื่อนไหวไปลืมเรื่องปฏิบัติไปแล้วพอใจเราเกิดความเปลี่ยนแปลงค่อยรู้เา คิดมากคิดมากยากนานอัน น, นะ น, นี้เป็นแชมป์ฟุงซ่านนี่เป็นแชมป์เพ่งดัง น, นั้นพอใช้ได้อยู่คนสุดท้ายนะ้นนี้ถูกเลยนคนภาวนาไม่เป็นไม่เคยภาวนาเนี่ยเรียนง่ายนะพวกขยันภาวนามาก่อนเนี่ยต้องมาลื้อทิ้งต้องมาแก้ส่วนใหญ่ไปทำวิชชาสมาธิมา วิชาสมาธิบางทีก็แก้กันนานกว่าใจเราจะหลุดออกจากที่เพ่งเอาไว้เป็นธรรมชาติอหันไปทางโ น, น้นไม่ต้องการาบหลวงพ่อเสียเวลาเดี๋ยวกลกราบสงฆ์ทีเดียว